ตอนที่ยีสองกำหนดวันวิวาไม่มีใครอยู่แล้วตอนนี้บอกพี่สะพยได้หรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าทำเอาเจียนเจียกับไปลู่สองสาวนั่นขวัญเสียไปหมดพวกนางบอกว่าซื้อจื่อรังเจ้าไว้ทั้งยังลากเจ้าเข้าไปในห้องข้างพี่สะพยจ้องมองสีหน้าของเยี่ยเยาอย่างระมัดระวังเขาทำอะไรเจ้าหรือเปล่าพี่สะพ้ายเห็นชัดเจนว่ามือที่วางอยู่บนโตะหินของนางกำแน่นจนเป็นหมัดและยังคงจิกเกรงเข้าหาตัวเองอย่างแรงคำถามนี้อีกแล้วหรือ เขาทำอะไรกับนางน่ะหรือควรถามว่ามีเรื่องเลวร้ายเรื่องไหนบ้างที่เขาไม่เคยทำกับนางมากกว่าทว่าหากนางพูดออกไปมันจะกลายเป็นการใส่ร้ายป้ายสีทันทีโชคชะตาที่น่าอึดอัดใจเช่นนี้เย่ยายิ้มออกมาเล็กน้อยแต่เมื่อหันมามองพี่สะพ้ยในดวงตาของนางกลับมีหยาดน้ําตาคลอเบ้าพี่สะพ้ยวางใจเถิดข้าจะไม่ยอมเสียเปรียบเขาแน่น้ําเสียงของนางสั่นเครืออย่างเห็นได้ชัดพี่สะพ้ายรู้สึกปวดใจยิ่งนัก นางยื่นมือไปปัดกลีบดอกไม้ที่ร่วงหล่นบนสีสระของเ ย, ย่เยาเบาๆก่อนจะค่อยๆแกะฝามือที่ชุ่มไปด้วยเลือดของนางออกแล้วเช็ดให้อย่างเบามือหากได้รับความกับแค้นใจก็อย่าได้กลัวบอกพี่มาพี่สะพายคนนี้จะออกหน้าและเป็นที่พึ่งให้เจ้าเสมอคำพูดนั้นแทงใจเ ย, ย่เยาเข้าอย่างจังน้ำตาที่พยายามกลั้นไว้ไหลาพากออกมาทันทีนางยิงคงพยายามฝืนยิ้มอืมขอบคุณท่านมากพี่สะพายท่านดีต่อข้าเหลือเกินข้าขอให้ท่านช่วยอะไรอย่างหนึ่งได้หรือไม่ ที่สภัยตอบรับทันทีว่ามาเลยเยี่ยเยาวขอยืมหัวไหล่ท่านสักครู่แล้วข้าจะดีขึ้นเองที่สภัยรีบย้ายไปนั่งบนมา้านั่งหิงตัวที่ใกล้ที่สุดแล้วตบไหล่ตัวเองมาสิเยี่ยเยาวซบหน้าลงไปแล้วร้องให้โฮออกมาอย่างสุดเสียงดอกเหมยในต้นฤดูใบไม้ผลิร่วงหล่นลงมาด่งสายฝนใช้ความงดงามของมันปกปิดหยาดน้ําตาของนางเอาไว้โลกภายนอกจะวุ่นวายเพียงใดแต่เรือนหลังของจวนกัวกงยังคงสงบสุขและอบอุ่น เยียวยได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอยู่ไม่กี่วันในราชสำนักมีท่านพ่อและพี่ชายคอยสร้างผลงานในเรือนหลังมีพี่สะใภ้คอยจัดการดูแลทุกอย่างนางเงินคงเป็นแก้วตาดวงใจที่ทุกคนในครอบครัวประครบประ ง, งมไว้ในอุ้ง ม, มือเรื่องการลักพาตัวและการถูกใส่ร้ายในชาติก่อนไม่ได้เกิดขึ้นดีเหลือเกินเพียงเท่านี้ก็พอแล้วส่วนข่าวลือที่แพร่สะพัดไปทั่วเมืองหลวงเกี่ยวกับนางหลินเซินและเสี่ยชิงจือนางไม่ได้ใส่ใจแม้แต่น้อย ทว่านางก็พอจะได้ยินมาจากปากของเจนเจียและไปัยลูกมาบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องลูกประคําหอมประหลาดจากซีวีที่ทําให้ชาวบ้านรู้ว่าแท้จริงแล้วเสี่ยชิงจือนั้นโง่เขลาเบาปัญญาเพียงใดและเรื่องที่หอทิงสเสวียนในวันนั้นที่หลิงเซิร์ลากนางเข้าไปในห้องข้างต่อหน้าต่อตาผู้คนแล้วเกิดเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นจากนั้นผู้คนก็โยมไปถึงเสี่ยชิงจือคาดเดา ว, ว่าซื่อจือคงเพราะราคาญความโง่เขลาของนางจึงหันมาหลงสเสน่ห์เยี่ยยวแทนเยี่ยวฟังจบก็รู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัว หลงเสน่ห์นางหนะหรืออย่าได้เป็นเช่นนั้นเลยนางวิงวอนต่อเทพเซียนขอให้เขาและเซียชิงจือรักกันชั่วนิรันติ์ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอย่าได้มาสนใจในตัวนางอีกแม้เพียงนิดเดียวแต่มันเป็นไปไม่ได้อย่างเห็นได้ชัดเพราะตอนนี้คนที่มีสัญญามั่นหมายกับลิงเซินคือเย่ยานี่คือเรื่องที่เย่ยาวกลุ้มใจที่สุดในตอนนี้แม้ว่าสายลับและมือสังหารจะยังจับไม่ได้แต่นางก็ควรจะรีบพิจาาทางให้ฟาบาทถอนราชองคการโดยเร็ว ทันใดนั้นสาวใช้ทั้งสองก็รีบวิ่งมาแจ้งข่าวคุณหนูคุณหนู ห, นหวังเฟยกับเซี่ยชิงจือมาอีกแล้วเจ้าค่ะเย่เยาชะงักแค่พวกนางสองคนหรือมาทําไมกันใช่เจ้าค่ะแค่พวกนางสองคนบอกว่าจะมาปรึกษาเรื่องวันมงคลของซื้อจือกับคุณหนูเจ้าค่ะหัวใจของเยี่เยากระตุกงูกนางลุกพรวดขึ้นทันทีไปดูสิวันนี้เป็นวันหยุดราชการทุกคนในครอบครัวจึงอยู่กันพร้อมหน้า หวังเฟยประทับอยู่บนที่นั่งประธานรอยยิ้มดูสง่างามและอ่อนโยนท่าน อ, องกับเซินเ อ, อ๋ยุ่งอยู่กับการตามล่าตัวมือสังหารจนปลีกตัวมาไม่ได้หวังว่าทุกท่านจะเห็นใจเป็นเพราะเซินเ อ, อ๋ยปกป้องไม่ดีพอจึงทําให้เยาเยาต้องตกใจถึงเพียงนี้ทางจวนสิ้นอองของเราย่อมต้องสืบสวนเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดอย่างไรเสียฝ่าบาทก็พระราชาทานสมรสมาแล้วงานมงคลจะมิอาจผัดวันประกันพรุ่งได้วันนี้ค่าจึงตั้งใจมาปรึกษาเรื่องนี้กับท่านแม่ทัพ เซี่ยชิงจือซึ่งนั่งอยู่ที่นั่งรองก็เอ่ยขึ้นเบาๆพร้อมกับส่งกล่องอาหารให้เรื่องลูกประคําหอมประหลาดจากซีวีเป็นพราะชิงจือโง่เขลาเองเกิดจะทําร้ายท่านผู้เฒ่าทั้งสองเสียแล้วฮูหญินเท่าต้องล้มป่วยลงก็เพราะข้าหลายวันมานี้ค่าจึงตั้งใจพลิกตําราแพทย์โบราณลงครัวทําอาหารยาบารุงร่างกายด้วยตัวเองนางรู้ตัวว่าผิดจึงก้มหน้าลงอย่างสำนึกหวังว่าฮูหญินเท่าจะหายดีในเร็ววันชิงจือจะได้รู้สึกผิดน้อยลงบ้าง เย่ออเสี ย, ยละบุตรชายรวมถึงจวิงซื่อเวียที่นั่งอยู่ต่างก็มีสีหน้าเคร่งครึมและไม่มีใครเอ่ยปากตอบ ก, กล่องอาหารที่เสียชิงจือยื่นออกมาไม่มีใครรับทำให้บรรยากาศดูอึดอัดอย่างยิ่งนางขอบตาแดงก่ำทําท่าเหมือนจะร้องให้ออกมาอย่างไรเสียจนสิ้นอ๋องก็เป็นเชื้อพระวงพี่สะพายจึงโบกมือให้สาวใช้ไปรับกล่องอาหารมาแล้วตอบกลับไปเรียบเรียบว่าลําบากเจ้าแล้วเสียชิงจือจึงเริ่มมีรอยยิ้มขึ้นมาบ้าง อาหารยาต้องทานตอนร้อนๆหากไม่รังเกียจข้าขออนุญาตนำไปให้ฮูหยินเท่าด้วยตัวเองและจะคอยประนีบัติท่านทา น, ทานอาหารด้วยเจ้าค่ะพี่สะพายกระตุกมุมปากฮูหยินเท่าอายุมากแล้วหากยังไม่ถึงเวลาอาหารย่อมไม่มีความอยากอาหารท่านยังทานได้น้อยมากประจบเหมาะพอดีเลยเจ้าค่ะเสี้ยชิงจือขัดจังหวะพี่สะพายอย่างดีใจในอาหารยานี้มีสารจาช่วยให้เจริญอาหารที่สุดเลยเจ้าค่ะพี่สะพายช่างเป็นคนที่ไม่รู้จักฟังความในเอาเสียเลย หวังเฟยย่อมฟังออกว่าพี่สะพ้ยไม่อยากให้หูหญินเท่ารับน้ําใจนี้เพราะเรื่องลูกประคําหอมประหลาดจากซีวีทําให้เกิดรอยร้าวขึ้นแต่ก่อนมาหลินเซินกําชับหนักหนาว่าต้องทําให้ทั้งสองตระกูลกลับมาปรองดองกันให้ได้หวังเฟยย่อมเข้าใจถึงผลประโยชน์ในราชสํานักดีเพื่ออาหารยามื้อนี้ชิงจือทุ่มเทแรงกายแรงใจไปมากจริงๆริงนางเติบโตมาในจนอองแม้แต่กับข้านางยังไม่เคยใส่ใจถึงเพียงนี้นี่คือความกตัญญูที่นางมีต่อหูหยินเท่า น้ำชาก็ยกให้แล้วความผิดก็ยอมรับแล้วหูหญินเธายังไม่หายโกรธอีกหรือหากเป็นเช่นนั้นชิงจียิ่งต้องไปขอขามาต่อหน้าด้วยตัวเองเยี่ออุเสียรีบขัดจังวหวะหวังเฟยหาไม่ได้หูหญินเท่าหายโกรธนานแล้วหากปล่อยให้สิ้นอองรู้เข้าเกรงว่าจะนําเรื่องนี้ไปตําหนิจนกัวกงในราชสํานักว่าเรื่องมากไม่จบไม่สิน้นในเมื่อฝ่าบาททรงต้องการให้ทั้งสองตระกูลปรองดองกันก็ไม่ควรหักหน้าหวังเฟยจนเกินไปที่สะพ้ยเข้าใจความหมายจึงยิ้มแล้วสั่งสาวใช้ เชนั้นก็ลำบากแม่นางชิงจือแล้วพาแม่นางชิงจือไปพบภูญินเท่าเถิดเสียชิงจือดีใจจนเนื้อเต้นนางลุกขึ้นย่อไกลคันว่าแล้วถือกล่องอาหารเดินตามสาวใช้ออกไปเยี่ยยเดินสวนกับนางที่ประตูพอดีเสียชิงจียิ้มและย่อไกลคันวะนางเล็กน้อยโดยไม่ได้พูดอะไรแล้วเดินตามสาวใช้ไปเยี่ยยมองตามนางด้วยสายตาสงสยัยสายตาหยุดอยู่ที่กล่องอาหารครู่หนึ่งก่อนจะมองจนนางเดินลับตาไปทิศ ท, ทางนั้นคือเรือนของท่านปู่ท่านย่าหรือ ในห้องมีเสียงของหวังเฟยดังแว่วออกมาความหมายของเซินเอ๋อคือยิ่งเร็วยิ่งดีตอนนี้เพิ่งต้นปีทางที่ดีควรจะเป็นภายในครึ่งปีแรกเช่นนี้มีออกจะเร่งรีบเกินไปหน่อยหรือเจ้าคะเยี่ยวก้าเข้าไปในถงหลักและพูดขัดจังหวะหวังเฟยเยี่ยอุสียและคนอื่นๆต่างพากันรอบผนหายใจอย่างโลง่งงกนางกล้าแม้กระทั่งดูหมินและไล่ซื่อจือออกจากบ้านต่อหน้าผู้คนแค่รับมือกับหวังเฟยย่อมเป็นเรื่องง่ายได้หวังเฟยหันมามองเยี่ยเย่า เยาเยาเจ้ามาพอดีเลยหากไม่เหมาะสมเราค่อยๆปรึกษากันได้เรื่องวันมงคล น, นี้ต้องลำบากหวางเฟยให้ต้องกังวลหรอกเจ้าค้าซื่อจึเคยรับปากไว้ว่าวันมงคลค่าจะเป็นคนตัดสินใจเองทุกคนหวางเฟยแต่เซินเอ๋อไม่เคยบอกเรื่องนี้กับข้าเลยนะทั้งเขายังเป็นฝ่ายเร่งให้รีกกาหนดวันวิวาอย่างนั้นหรือเจ้าคะเยาเยาหัวร้อเย็นสงสัยซื่อจึคงจะงานยุ่งจนลืมเลือนไป หวังเฟยกลับไปลองถามเขาดูอีกทีก็ได้เจ้าเขาวันที่ถูกลอบสังหารเขาปกป้องข้าได้ไม่ดีพอจึงรับปากเรื่องนี้ไว้เป็นการชดเชย